ในการปฏิบัตินะพยายามให้มันลื่นไปกับชีวิตประจําวันของเราอย่าให้แยกการปฏิบัติออกจากชีวิตประจําวันและที่จริงแล้วการปฏิบัติในรูปแบบในสภาพแวด ล, ล้อมอย่างเช่นที่นี่หรือว่าบู่คาเน่ ต้องเลือกเป็นการซ้อมนะต้องเลือกถือว่าเป็นการซ้อมยังไม่ใช่ลงสนามจริงเพราะถาลงสนามจริงก็คือการเข้าไปดูกับโลกที่เราคุ้นเคยอยู่ที่บ้านอยู่ ท, ทา ง, งานอยู่บนท้องถนนและตรงนั้นแหละก็คือการ การลงสนามถ้าเปลี่ยนนักกีฬาก็หมายควว่าลงสนามจริงแล้วไม่ใช่ซ้อมแล้วก็อย่าเอาแต่ซ้อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ลงสนามนะก็คือว่าอย่าเอาแต่ปฏิบัติแต่ในรูปแบบหรือว่าในสถานที่ที่เป็น การอบรมที่เรียกว่าเป็นลิรียกว่าเป็นคอร์สอันนั้นต้องเรียกวเป็นการซ้อมเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดสรรมีการดัดแปลงมีการควบคุมจัดการเพื่อให้ให้อื้อต่อการเปลี่ยนแปแต่ในชุดจริง ม, มันมีสิ่งแวดล้อมมากมายที่ไม่อยู่ในการ พวกกุมของเราไม่สามารถจัดสรรจัดการได้แล้วก็บางครั้งก็สวนทางกับการปฏิบัติคือว่ามันเกิดเพราะด้ความเร่เรแล้วก็มีสิกระตุ้นเราเยอะอันนั้นแหละเป็นเรียกว่าเป็นเป็นของจริงเราก็ต้องนักปฏิบัติก็ถือว่านั่นแหละคือการลงสนามจริง เหมือนกับนักกีฬาที่ซ้อมมาพอสมควรแล้วก็ลงสนามจริงครนะนนีเ้เราก็ในขณะที่เราอยู่ที่นี่สีหวันนะเราก็สามารถที่จะปฏิบัติในลักษณะที่ลงสนามจริงได้ โดยการนำเอาการปฏิบัติของเราเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลมกลืนกับการดำเนินชีวิตโดยไม่จำกัดแต่เฉพาะการปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัติในรูปแบบก่อกลกเล่นการเล่นอยู่คนเดียวอยู่ในห้องอยู่ในมุมสงบอยู่ในอุทยาบทที่เป็น ก, การกำหนดเป็นรูปแบบไว้ชัดเจนนั่งสมาธิหับตาตามลมหายใจ หรือว่าเดินจงกรมอันนี้เลยว่าเป็นการปฏิบัติในรูปแบบซึ่งนำมาเป็นการสอนทีนี้พอเราปรับเข้ามาดัเนินกิจวัตรประจำวันเช่นการกินอาหารการอาบน้ำ การพบปะพูดคุยกับผู้คนการปรึกษาเรื่องงานหรือเรื่องการการล้างจานชามเข้าห้องน้ำอาบน้ำหรือแม้กระทั่งในหลวงที่เราเสวนากันก็อย่าลืมการปฏิบัติให้ถือว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งการปฏิบัติหรือจะเรียกเป็นการหลงสนามจริงแบบแบบย่อย ๆ, ย, อ ย, ๆย่อยๆก็ได้ ก็คือว่าให้มีสติอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่กับอิริยาบถตลอดเวลาแน้่ยก็ทั้งเวลาพูดคุยกันในช่วงเสวนาเราก็คุยยังมีสตินะคือไม่ฟุ้งไปตามความคิดรู้ว่าเมื่อไหรควรจุดนะ แล้วก็เมื่อหยุดหยุดคุยแล้วนะใจก็เปิดรับฟังความคิดความเห็นของคนอื่นไม่ใช่ว่าแม้ว่าคุยเสร็จแล้วแต่ว่าความคิดมันยังแล่นอยู่ในหัวเพราะมีเรื่องที่อยากพูดอยากอยากคุยหรืออยากคิดต่อใจมันก็แล่นไปกับความคิดโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่า เพื่อนๆ เ, เขากำลังพูดเรื่องอะไรบ้างเรียกว่าได้ยินแต่ไม่ได้ฟังเพราะว่าใจไปอยู่กับความคิดเพราะว่านั่งเราเผลอไปแล้วให้มีสติกลับมาวางความคิดที่ฟุ้งหรือที่ปรุงเอาไว้ชั่วคราวแม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่สำคัญแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เราลืมตัว เมื่อเราวางแล้วเรากลับมาสดจอรับรู้กับการแสดงความคินของเพื่อนๆนะอันนี้เรียกว่ามีสติกับ ก, การการเสวนามีสติกับ ก, การพูดมีสติกับ ก, การฟังถ้าทำงั้นได้เวลาเราไปทำงานทำการ เราก็จะมีสติกับการงานแม้ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดแต่ว่าก็คิดอย่างเป็นที่เป็นทางนะไม่ใช่ว่าไปคิดจะคิดเรื่องนี้แต่ว่าเผลอไปคิดเรื่องโน้นนะเช่นกำลังคิดเรื่องอะไเรื่องการอยู่แล้วก็จิตก็รับกไปคิดเรื่องลูกเรื่องหลานนะหรือไปคิดเรื่องที่มันไม่ใช่เป็น เรื่องที่เราตั้งใจคิดอันนี้เราไม่มีสติหรือว่าไปย้ำคิดย้ำนึกในเรื่องนั้นๆและในเรื่องเดียวกันนั่นแหละเช่เรากาลังคิดเรื่องงา น, นเรื่องการแต่เราลองสังเกตดูบางทีมันมันคิดไม่ตกที่คิดไม่ตกก็เพราะว่ามันย้ำคิดย้ำนึกอยู่นั่นแหละทั้งทั้งที่ มีข้อสรุปบางอย่างแล้วแต่ว่าก็ยังคิดย้ำนึกอยู่นั่นแหละนะก็เลยวนอันนี้ก็ไม่มีสติเหมือนกันนะให้เรามีสติแล้วก็วางได้บางเรื่องมันมีข้อสงสัยที่เรายังไม่แน่ใจหรือว่าอยากจะหาคำตอบแต่ก็อย่าให้ความอยาก หรือว่าความสงสัยนั้นมารบกวนใจเราจนกระทั่งกินก็ไม่รู้ว่ากินเพราะใจกำลังสงสัยกาลังนึกอยู่อย่าให้ความสงสยัยมันมาเป็นนายเราคืออยู่กับความสงสัยได้โดยที่ต่างคนต่างอยู่เพราะเรามีสติรู้ว่านี่กำลังสงสัยอยู่นะ ลองสังเกต ด, ดูอะไรกระตางที่เราสงสัยเนี่ยหมย่ๆก็อยากจะหาคำตอบให้ได้ถ้ามันหาคำตอบไม่ได้นี่รู้สึกกระสับกระส่ายกำลังกินอยู่ก็อยากจะเลิกกินเพื่อจะไปหาคำตอบไปค้นไปคว้าไปเปิดไปดูไปถามถ้ามีโทรศัพท์อยู่ใกล ก, ก็อยากจะโทรไปถามอันนี้เรียกว่าเอาความสงสัยความสงสัยมันกลายเป็นใหญ่ไปแล้ว แต่พอเราดูมันไม่หลงไปตามมันสักพักมันก็ค่อยแถวค่อยเบาลงไปหรือบางทีเราเผลอไปนึกเรื่องอื่นสักประเดี๋ยวเดียวไอ้ที่สงสัยเป็นเรียว่าเป็นล็อกเป็นเวนี่มันก็แถวเบาทีละและ้วมันไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องของเราสงสัยเรื่องอื่นด้วยเรื่องที่เราแผนการที่เราคิด อยากจทำโน่นทำนี่ตอนที่เริ่มกินโอมันมันปรุงแต่งมากมายอยากคิดต่อไม่ไม่อยากเลิกคิดแต่พอเราเผลอไปนึกเรื่องอื่นกลับมาคิดเรื่องที่เพิ่งนึกเมื่อกี้อ้ามันแผ่วเบาไปซะและ้วอันนี้มันอันที่จังแท้แท้งั้นเราจะไปหลง เอาเป็นเอาตายกับความคิดไาจะเป็นความสงสัยไม่ว่าจะเป็นแผนการไม่ว่าจะเป็นความความระแวงสงสัยในพวนี้ปอดตอนที่มันเริ่มคิดใหม่ๆมันมันขึ้นมันเป็นนเวรจริงๆจนกระทั่งมันกลายเป็นนายเราแต่พอเรามีสติลูกดูมันเฉยๆโอ้มันก็ หมดพิสูงไปกค่อยหมดพิสูงไปนะหรือว่าเราเพียงแค่แกล้งลืมมันสักพักพอกลับมานึกถึงใหม่อ้าวมันจางไปแล้วนะอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตธรรมชาตงความคิดนั่นะเราอย่าไปเอาเป็นเอาตายเอาความคิดมาให้จับยังจิตยังจิตยังตย่งใจไปบ้างอย่าไปโทมไปถามไปโถมเข้า กับเรื่องเหล่านี้สติมันจะช่วยได้ก็ให้ให้เรามีสติกับกับเรื่องกับกับกิจกับการงานเหล่านี้กับเรียบทเหล่านี้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยไม่ใช่เฉพาะในระหว่างการปฏิบัติหรือการลีกเล่ท่านั้ น, น, นในระหงที่เราออกจากลานตรงกลมออกจากที่นั่งสมาธิ นะมาอยู่กันเป็นกลุ่มทานอาหารอาบน้ำล้างจานชามซักผ้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความเปน็นกันก็ให้ถือว่านี่ก็เป็นโอกาสในการฝึกในการปฏิบัติแต่เป็นการปฏิบัติแต่ไม่ใช่ซ้อมและจะเป็นการลกสนามจริงนะก็ขอฝากเอาไว้นะ เราต้องกาสงบสักพัก